ขอถว้ความเคารพเด่พระคุณท่านเจ้าคุณพระศีธีรวงท่านพระเทรานุทเทระและขอเจ ร, ริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านอ่อวันนี้ท่านเจ้าคุณสีธีรวงได้ขอให้เทศลาชีวิตที่ควรจะเป็น เป็นอย่างไรอยู่อย่างไรให้เป็นประโยชน์ชีวิตชีวิตเราเนี่ยมันมีเอ่อประมาณนึกนึกถึงคําที่เขาพูดกันว่าชีวิตเราเนี่ยนะฮะดูดูมันเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรเวลาเขาบอกว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมาไม่มีอะไรเลยเมื่อ เจ้ามามีอะไรมาด้ยเจ้าแล้วจะเอาแต่สุขสนุกฉัไหนมามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาที่ว่ามามือเปล่าเนี่ยมันหมายถึงของข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยมันมีมีสิ่งที่เรียกกันว่าบาลมี ในฝ่ายดีมีสิ่งที่เรียกว่าสันดานในฝ่ายไม่ดีมีสิ่งที่เป็น potentiality เป็นศักยภาพเป็นพลังแต่เราจะใช้พลังนี้ทำอะไรสร้างสรรหรือทำลายสร้างประโยชน์มากก็มีคนจำได้มากและเราก็จำได้มากมีบุญมากสร้างประโยชน์น้อยหรือทำ โทษไว้มากคนก็สาบแช่งเพราะฉะนั้นชีวิตอยู่ที่เราจะสร้างทำอะไรประโยชน์อะไรเมื่อวานนี้เราไปดูโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ไบรอนทั้งร็อกฟอร์ดเข้าไปแล้วนี่เราจะเห็นสิ่งหนึ่งก็คือว่า ซึ่งที่มีพลังมหาศาลคือนิวเคลียร์หรือปรมาณูมีศักยภาพในการทำลายล้างมหาศาลได้ถูกควบคุมนำมาใช้สร้างประโยชน์ผลิตไฟฟ้าเฉพาะในอิลลินอย์เนี่ยแปดสิบห้าปอร์ซ็นตของกระแสไฟฟ้าใช้จากพลังงานนิวเคลียร์ที่เหลือใช้จากถ่านหิน มันเคยมีโทษมหาศาลแต่คุมให้ดีมันเป็นประโยชน์เหมือนกับคนนั่นแหละความโกรธของคนทิฐิมานะของคนมีอำนาจทำลายล้างมหาศาลแต่คนหลายคนได้ดีเพราะถูกมิ่นประมาทดูถูก อยามถาเยอถ่ยยานขึ้นมาอาตอมิกบอมลูกแรกตอนที่เขาทดลองมีพลังเท่ากับมีพลังเท่ากับ ทีเอนทีระเบิดทีอนทีประมาณสองหมื่นตันเท่านั้นแต่มันก็ทำลายล้างมหาศาลเอาไปหย่อนที่ญี่ปุ่นฮิโรชิม่า 9, 4, 5, หนึ่งเก้าสี่ห้ามดไปเลยลูกที่สองนางาซากิหมด ไม่แม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าประมานูเพราะเขาทดลองคนละทางแต่การที่จะเอามาสร้างมาทำประโยชน์เนี่ยมันเป็นเพราะคนคนหนึ่งมาทำที่ชิคาโกเนี่ยชื่อเฟอร์มิ i, เป็นชาวอิตาเลียนทดลองที่ยูบชิคาโกทำปฏิกรประมานูขึ้นในปีหนึ่งเก้าสี่สองก่อนระเบิดประมานูนะทาปฏิกอประมานู และควบคุมให้มันระเบิดช้าๆต่มามาเล่าให้จันเจ้าคุณพรมหมาอฟังว่าวิธีทำไฟฟ้าปรมาณูก็คือเอาน้ำต้มน้ำปกตินี่เราต้องเอาไฟต้มน้ำแต่โรงงานปรมาณูเขาเอาน้ำต้มน้ำเชื่อหรือไม่น้ำที่จะมาหมุนกังหันสาหรับ ไอเจเนอเรเตอร์ไอเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะต้องมีมาทําให้มันร้อนสิ่งที่มาทําให้น้ําไอน้ําเกิดเนี่ยก็สมมติว่าน้ําท่อน้ํามันมาอย่างนี้แล้วก็มันท่อน้ําแล้วมันจะมีไอน้ําไปหมุนกังหันเนี่ยใต้นั้นเนี่ยไม่ใช่ไฟความร้อนที่มาจากประมานูใต้นั้นเป็นท่อน้ําที่ร้อนกว่าซึ่งถูกต้มโดยข้างในคือ พลังงานนิวเคลียร์เพราะฉะ น, นั้นน้ำที่ต้มประมาณหกร้อยสี่สิบองศาฟ า, ฟาเรนไฮน์เนี่ยมันร้อนเหมือนก็มามาทำความร้อนให้น้ำอีกท่อห น, นึ่งมันร้อนจนกระทั่งเกิดความร้อนพลังไปหมุนกังหันเขาไม่ต้องการให้น้ำอันนั้นที่มีดังสีเนี่ยออกมาเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกอยู่ข้างในเอาน้ำร้อนมาต้มน้ำอีกทีหนึ่งเฟอร์มิได้ควบคุม ปฏิกิริยาเอยูเรเนียมที่มันจะระเบิดดยเร็วๆต่างๆให้มันช้าลงแทนที่จะเป็นพลังทําลายมหาศาลเนี่ยค่อยๆปล่อยให้มันรับค่อยๆระเบิดแล้วก็เอาพลังอันนั้นมาใช้ในทางสันติไม่ได้ทําลายมันทิง้งคนมีศักยภาพมหาศาล มีพลังกระตุ้นที่เรียกว่าตันหาเราต้องการจะทำลายตันหาทำยังไงจงถึงทำลายมันได้มีบาลีอยู่ข้อหนึ่งตันหายะตันหังปหาตับพังอาศัยตันหาละตันหามีวิธีหนึ่งอยาก มันไม่ดีเราจะละความอยากปฏิบัติธรรมอาศัยความอยากนั่นแหละอยากทำดีไปละความอยากที่ไม่ดีตั้นหาเป็นความอยากที่ ก, กลางๆอยากทำดีก็มีอยากทำชั่วก็มีเอาความอยากทำดีนั้นมาเป็นพลังทำลายความอยากที่ไม่ดี ความอยากที่ดีนั้นเราเรียกว่าฉันทะเป็นพลังความอยากในทางบวกเพราะฉะนั้นแปลงพลังของเราที่มันมีศักยภาพมีอะไรต่างๆเนี่ยให้เป็นพลังในทางบวกแล้วก็ไปสร้างสร้างสรรค์ทำยังไงตรงนี้ที่เราจะไปไปแทบเอาพลังในตัวเราออกมาเนี่ยมใช้ อาศัยความอยากพาให้เรานั้นทำดีทำยังไงบางคนนี่ก็อยากง่ายๆอยากตั้งอะไรก็ตามขอให้เขาประกาศชื่อเนหะ็นไหอยากนําอยากเป็นประธาน อยากเป็นบอร์ดเมื่อกี้มีคนอยากเป็นบอดเห็นไหอยากเป็นบอร์ดแล้วทําอะไรอ้มาทํางานงานวัดงกงกงกงกงกดีไหมดีไม่อยากเป็นบอร์ดทำอะไรลงเรือนะเพราะถ้าอยากเป็นบอร์ดเนี่ยมันก็ต้องควบคุมพฤติกรรมตัวเองทําดีใหญ่เลย อย่างน้อยหาเสียงเจอใครไม่เคยไหวเลยช่วงไหนหน่าเลือกตั้งพนมมือทักกันทั่วไม่เคยโทรไปหาใครเลยยกโทรศัพท์เห็นไหความอยากที่จะทำดีแต่ทำดีแบบนี้เขาเรียกว่าทำดีแบบอะไรอัตตาทิปไต่เอาตัวฉันของฉันเอาประโยชน์ฉันเป็นที่ตั้งทำไมวันนี้เนะี่ย คือฉันได้ประโยชน์อะไรเป็นพลังแบบหนึ่งนะพุทธเจ้ามีวิธีทคำความดีอยู่สามวิธีท่านจะเลือกแบบไหนเอาตัวเองไปที่ตั้งฉันได้อะไรมาวัดฉันได้อะไรส่วนที่สองทำความดีเพราะเพราะคนอืน่นยกย่องท่านเรียกว่าโลกาทิปไตย เอาคนอื่นเป็นใหญ่บางท่านนี่ไปบริจาคลองดูสิถา้าถ้าลองไม่เขียนชื่อสิเงินไม่ได้นะต้องมาดูก่อนลงชื่อหรือเปล่าเขียนชื่อผิดให้ครึ่งหนึ่งเนี่ยเห็นไถามว่าแล้วดีไหมให้ทำเถอดี เพราะในที่สุดไม่ว่าคุณจะมาแรงมาจากโมดีบอะไรโมติเวชันอะไรก็ตามผลสุดท้ายมันทำดีเหมือนกันมันมาหลายทางทำดีเพราะคนอื่นเพราะคนนั้นคนนี้ไม่มีะระยะนั่นก็ทำดีอวดลูกเจอพระปกติไม่เคยไหวอ้าไวไพระสะลุแม่ยังไหวเลย <c oughs> เยังดีก็แม่บางคน ไหว้พระไหว้พระลูกไม่อยา่ไยว้ยไงแม่ไม่ทาให้ดู <c oughs> <c oughs> เห็นไหมทำมุงความดีเพราะคนอื่นก็มีเพราะตัวเองอยากได้ไหนก็มีและข้อที่สามทำางความดีเพราะเป็นความดีเรียกว่าธรรมาทิปไตยทำดีเพราะเป็นสิ่งที่ดีที่ที่เรามักจะสอนกันที่พระมักจะพูดกันจะพูดข้อที่สาม บุญกุศลทำดีเถิดมันจะไปทำละชำระกิเลสตัณดาอะ้รต่างอันนี้ยากใช่ไหมปิดทองหลังพระเถิดไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นเพราะมันเป็นความดีทำดีในความหมายนี้เนี่ยเรียกว่าทำมาธิฏตัยจะทำด้วยเหตุไหนก็ตามมีผลคือออกมาเป็นสิ่งที่ดีบางท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์เพราะติดสินบนอยากได้รางวัล แล้วเป็นพระอรหันในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไปสเสด็จไปที่เมืองกระบินพัทวันนั้นเป็นงานวันงานแต่งงานของอนุชาต่างมันาของพระพุทธเจ้าชื่อนันท์นันท ะ, นนทะงั้นแต่งเลยเนะียพระพุทธเจ้าสเสด็จไปในงานแต่งงานเลี่ยงอะไรต่างพอจะพอพอฉันเสร็จ เสด็จกลับวัดพรเจ้าเสด็จกลับส่งบาตรบาตรของพระย่าเนี่ยให้เจ้าบาวเจ้าบาวอุ้มบาตรเพจริงมันยังไม่ได้ส่งอุ้มบาตรจะมาส่งพระย่านันทะเนี่ยนะเจ้าบาวเนี่ยพรเจ้าทําเป็นไม่เห็นเดินลงจากวังนันทะก็ถือบาตรตามไม่กล้าสกิดพระพุทธเจ้าหรือไม่กล้ากราบถุนพระพุทธเจ้ารับรับบาตรก็เดินลงจากบันไดเนี่ยตามพระจ้าไป เจ้าสาวก็สะ ก, กิดนันทะรีบมานะพี่นะอย่าไปนานนะนันทะก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดินตามไปส่งถึงวัดพอไปถึงวัดทรงบาทถวายพระเจ้าพระเจ้าถามนันทะบวชไหมนันทะนี่ควมามที่รักพระพุทธเจ้าเนี่นะเกรงใจนันทะตอบ บวชก็บวชวันแต่งงานนะ่ะนะฮะบวชก็บวชปรงผมบวชเดี๋ยวนั้นเลยเจ้าสาวยังรออยู่ที่บ้านทีนี้ไม่เป็นอนั่งกรรมฐานาเลยนั่นท่านึกถึงแต่ประโยครีบกลับนะพี่พอหลับทาก็นึกถึงแต่เจ้าสาว เดินงุนง่านงุนงานงนะไม่สุดไปขอสึกทำไมเจ้าสาวรอยังไม่ลืมพระเจ้าบอกงั้นเดี๋ยวพาไปทัวพาทัวพาไปทัวให้นั่งหลับตาหลับตาทั้งคู่นะันั่งหันหน้าเข้าหากันเนี่ยทัวไง หลับตาปุ๊บแล้วก็สอนวิธีทำสมาธิแล้วก็ไกลไปเรื่อยนะฮะจนเห็นภาพมโนภาพนนะในสมาธิเนี่ยเห็นสาวงามนางฟ้าในนิมิตเนี่ยนะท่านนันทะเนี่ยนะสวยสวยมากถาม่าเทียบกับเจ้าสาวได้ไหม ยังก็ฟ้าคดินลืมทั้งนู้นเลยเนมนี่ใครจะแก้ก็ใช้วิธีนี้สวยติดตาพระเจ้าจบอกนี่คือนางฟ้าถ้าขึ้นสวรรค์นะได้ตั้งห้าร้อย อยากได้ไหมนันทาก็บอกท่านได้ละลืมแน่เลยทิ้งเลยเอาใหม่เนี่ยนี่จะดีกว่าเลยนี่กว่าเอานี่แหละแต่ทําไงจะได้ลนะ่ะไม่มีเท่าแก่ให้พระเจ้าเป็นเท่าแก่ได้ไหมพระเจ้าบอกได้แต่ต้องปฏิบัติให้เป็นพระละหันก่อน ถ้าเป็นพระอรหันต์หมดเกลืแต่เป็นพระอรหันต์เมื่อไรนะรับประกันว่าจะเอานางฟ้ามาให้นันทะก็ได้พระเจ้าเป็นผู้ประกันภาษาบาลีว่าปาติโพโคเป็นนักปฏิบัติแบบรับจ้างนะนะติดสินบนตกรุลงปฏิบัติใหญ่ทีนี้ขามันก็รู้ว่าเอ๊ะทำไมอูนี่ขยันเหลือเกินปฏิบัติใหญ่เลยเนะี่ย เขารู้ ว, ว่าอยากได้นางฟ้าลืมเจ้าสาวไปแล้วอายก็หลบไปถ้ำไปอะไรต่างเล่งปฏิบัติใหญ่เลยอยากได้ปฏิบัติหนักๆเข้าบรร ล, ลุเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสหมดตัณหาหมดความอยากไม่มาทวงเลยทีนี้นางฟ้าลืมไปเลย เป็นพระอรหันต์เพราะอยากได้นางฟ้าเมื่อเป็นพระอรหันต์กิเลสตัณหาหมดนางฟ้าไม่มีความหมายตรงนี้พระพุทธเจ้าจับจุดถูกว่าคนนี้เมื่อยังมีตัณหาอาศัยตัณหาละทําความดีเพื่อละตัณหาเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าตัณหาไม่ดีก็ใช่ ต่้งหาช่วยท่านดันทะหรือไม่ช่วยถ้ารู้จักจับจุดให้ถูกชีวิตคนเนี่ยนะฮท่านสังเกตนะมันจะมีขั้นท่านต้องเข้าใจตัวท่านเองว่าระดับวัยของท่านเนี่ยสนใจอะไรแต่และ ว, วัยวัยหนุ่มสาวก็สนใจสิ่งที่เป็นวัตถุใช่ไหมสึ่งสวยๆงามความสนุกต่างๆ ท่านเรียกว่ากามะตัญหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆที่สวยงามแต่พอวัยสูงขึ้นสิ่งเหล่านี้เราก็ผ่านมาแล้วเจอมาเริ่มสนใจอะไรบางท่านก็ไปไปอ้รูปที่ทั่วๆไปไม่สนไปสะสมอะไรแก้วเจรไนเพชร ทองเริ่มไปทางนู้นนะมันก็ยังอยู่ในขั้นนี้อยู่ดังวมเข้าอ๋อไม่ไหวแล้วทำอะไรบางคนไปทำกิจกรรมอ่านหนังสือสะสมหนังสืออ่านใหญ่บางคนวาดภาพบางคนเป่าคลุยบางคนสีสอ <c oughs> เนี่ยสีศอ เนี่ยทั้งเกอเป็นอะไรไม่มีอะไรนะครุยเนี่เป่าอยู่แ่้เป่าอยู่ให้ลมมันเข้าลมมันออกทำมีความสุขไหมมีความสุขสุขที่ในเป่าครุยทำให้ชีวิตเป็นอย่างไงท่าลองดูที่ทำไมมันเปลี่ยนไปได้ได้บางคนนั่งกรรมาฐานบางคนทำบุญไปคนทนปาธากระถินนั่นคือ ตัณหาเราเริ่มยกระดับจากการมาตัณหาสิ่งสวยงามมาลงเรือนั้นเริ่มเป็นภาวะตัณหาอยากเป็นทำอะไรเป็นมีกิจกรรมเป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีอะไรก็เล่นกล้องถ่ายภาพ ม, มีกิจกรรมต่างๆแล้ว น, นะสิ่งเหล่านี้นี่ แม้กระทั่งท่านอาจารย์เพื่อธาตุเนะี่ยทำอะไรถ่ายภาพภาพเพื่อธาตุเยอเลยไปอยู่ป่านะคนเดียวนะี่ถ่ายภาพใหญ่เลยในหลวงนี่ก็ทรงถ่ายภาพเห็นปะ่ะประนีดขึ้นนะเงินทองอะไรต่างๆนี่มันอยู่ในระดับนะี้พอยิ่งสุดบมันประนีดขึ้นไปเรื่อยๆ เขาเรียกว่าเข้าไปสิ่งที่เป็นรูปการมาพบรูปประพบพอไปถึงรูปประพบแล้วบางคนไม่สนุกไปอรูปประพบภาวะทังจิตที่ประนีตยิ่งขึ้นไม่มีภาพแล้วกำหนดลมหายใจปฏิบัติเป็นนักทฤษฎีนักพิยารณาเข้ไปนู่นอะตอมอะไรต่างไปมองไม่เห็นแล้ว ลึกลงไปเรื่อยๆห่างจากรูปประพบที่เราอยู่เข้าไปสู่ทฤษดีนักปรัชญาก็เถียงกันไปเห็นท่านอยู่ในระดับไหนแต่ระดับสูงสุดคืออยู่กับความว่างจิตที่ว่างจากกิเลสตัณหาทั้งหลายตัณหาที่ไม่ค่อยละเอียดละเอียดลงไปนี่คือเป็นอิสระจากกระแสทั้งหลายหมด มันเป็นขั้นตอนแต่ละคนต้องดูว่าตัวเรานั้นพัฒนามาถึงไหนตรงไหนและที่สำคัญก็คือว่าจุดหักเหเนี่ยมันไม่ต้องรอไปตามวัอย่างนั้นถามว่าถ้าชีวิตจะไปสู่ทางที่ถูกต้องสร้างประโยชน์เป็นชีวิตที่ดีงามนั้นจะหันเหนตรงไหนจุดเปลี่ยนของชีวิตจริงตรงไหนวิถีชีวิตที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไร พระเจ้าสอนไว้แล้ววิถีชีวิตก็คือทางเดินเราเรียกว่ามัคมัคคือขนทางทางชีวิตที่มันเป็นประโยชน์เราจะไปทางไหนเนี่ยคือเข้าสู่วิถีแห่งมัคแปลว่าขนทางมัคมีองค์แปดอัดถังคี้กะมัคชีวิตใครจะไปได้แค่ไหนขึ้นอยู่ว่าเรามีมัคแปดข้อเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แค่ไหน ทั้งคนมีข้อเดียวแต่คนไหนยิ่งมีมากครบท่วนสมบูรณ์มรรคแปดเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากจะพูดทั้งแปดคอเข้าสู่มรรคคือทางชีวิตที่ถูกต้องเป็นอริยมรรคให้ได้ทางที่มีองค์ประกอบแปดประการ ขรียกว่ามร์แปดสัมมาทิฏฐิเรามาแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องภาษาอังกฤษคือ right understanding เข้าใจถูกต้องเข้าใจดีพอมีความเข้าใจดีมันจะเริ่มมันจะเกิดสัมมาสังกัปปะ Right thought คิดดีเข้าใจดี Right understanding ทาให้ Right thought Right thinking คิดดีชิดเริ่มจากความคิดในะความเข้าใจแล้วก็เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทำให้เกิดคิดถูกต้องพอคิดถูกต้องก็พูดถูกต้องพูดดีสัมมาวิาจารข้อที่สามข้อแรกนี้เข้าใจพยายามเข้าใจอะไรให้มันถูกต้องเข้าใจให้มันดีงาม เข้าใจดีงามมันก็จะทําให้เกิดการคิดที่ดีงามพราะคิดดีมันก็พูดดีสัมมาวาจาเพราะพูดดีก็ทําดีสัมมากัรมันตะทําดีเข้าใจดีแต่ละข้อนะฮะแล้วเด็กๆจะคอยอธิบายเข้าใจดีก่อน right understanding คือเข้าใจถูกต้องเข้าใจดีนั่นเอง right. เข้าใจดีงามคิดดี พูดดีทำดีสัมมาอาชีวะไรหลายปร h o o d งานดีอาชีพดีก็คือการทำงานที่ดีวิถีชีวิตในการทำงานที่ดีประกอบอาชีพที่ดีคืองานดีเข้าใจดีคิดดีพูดดีทำดีงานดีสัมมาวายามะขยันดีพยายามไปทางที่ดี สัมมาสติ right mindfulness ระลึกดีและสุดท้ายสัมมาสมาธิ right Concentration ตั้งใจดีสมาธิที่ดีทั้งหมดเนี่ยแปดข้อเนี่ยถ้ามีมากครบเท่าไหร่นะเราก็เข้าสู่กระแสมักต์ไปเรื่อยๆแต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยมันมีขาดโน่นขาดนี่ จะเริ่มตรงไหนจะเริ่มจากจุดไหนที่จะเอาพลังที่มีอยู่ข้างในของเราเนี่ยออกมาใช้ในทิศทางที่ถูกต้องท่านใช้ข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเข้าใจถูกต้องเข้าใจดีมองโลกกระทั์ในทางที่ดีมีแอดทิชูที่ดีและเราก็จะละดมศักยภาพทั้งหลายไปในทิศทางที่ถูกต้อง ถ้าเราเชื่อเราเห็นเราเข้าใจว่าสิ่งนี้มันดีเนี่ยเราก็จะระดมทำไปทางนั้นพฤติกรรมมันก็จะไปในทางนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดทำไมที่ท่านฟั ง, ฟงเทศฟังธรรมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคำตอบก็คือเพื่อสร้างภาพความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตว่าท่านจะไปไหนจะทำอะไรสร้างสมมาทิฏฐินั่นเองฟังแต่ละครั้งเนี่นะมันจะมีผลที่จะไปสร้างเราเรียกว่าคอนเซป ความคิดรวบยอดได้ความคิดรวบยอดในเรื่องหนึ่งๆเอาความคิดรวบยอดนี้มารวมกันมันจะเป็นภาพเหมือนกระจิ๊กซอเนี่ยนะแต่ละอันาร้นมาเรียงต่อกันเนี่ยพอสุดท้ายนี่เราเข้าใจถูกต้องพอเข้าใจถูกต้องเราจะจัดการกับเรื่องนั้นแต่ละเรื่องอย่างถูกต้องทีนี้ที่พฤติกรรมเรายังแก้ปัญหาไม่ได้ยังเข้าใจกันไม่ได้ยังเอาเรื่องง่ายๆในที่วิญญาณเนี่ยเข้าใจกันผิดยังทะเลาะกันยังปรับให้เข้าสถานการณ์ไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้สถานการณ์นั้นจริงๆ ภาพที่ถูกต้องมันยังไม่ปรากฏแกเราถ้าภาพที่ถูกต้องของสถานการณ์มันปรากฏแกเราเมื่อไหร่ก็ตามเราจะแฮนเดิลสถานการณ์นั้นได้อย่างถูกต้องจะปฏิบัติชีวิตได้ถูกต้องแต่แต่ว่าสิ่งที่ที่มันเข้าใจไม่ถูกต้องเนี่ยเราเรียกว่าอาวิชชาเนี่ยแท้ที่จริงเี่มันเกิดจากพยายามสร้างภาพที่ถูกต้องให้มันเกิดขึ้นให้ได้สมาฐิเข้าใจถูกต้องแล้วมันจะเกิด ความคิดถามว่าความเข้าใจถูกต้องมาจากไหนมาจากสององค์ประกอบองค์ประกอบหนึ่งมาจากคนอื่นมาจากสิ่งแวดแล้อมมาจากสื่อมวลชนมาจากคนอื่นที่อช่วยกันแนะนําช่วยกันตักเตือนช่วยอะไรต่างๆอีกองค์ประกอบหนึ่งมาจากสัมมาสังกัปปะคือข้อที่สองเราจมาจะพูดข้อที่สององค์ประกอบที่สองนี้คือมาจากคิดดีนั่นเองถ้าท่านคิดดีเนี่ยท่านจะเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงเรียงสัมมาสังกัปปะ คิดถูกต้องคิดดีเนี่ยต่อจากสัมมาทิฏฐิเพราะมันเกื้อกูลกันเป็นตัวปัญญาทั้งคู่นะแต่ว่าคิดนี่คือยังไงคิ ด, ดแต่ละเรื่องแต่และสถานการณ์เช่นถามว่าถามท่านว่าผีมีจริงหรือไม่ท่านเชื่อว่างไงผีมีไหมมีบางคนนี่ไม่ยอมอยู่เลยช่วงนี้กลัวผี <laughs> หนีไปแล้วตอนเราที่มีงานเนี่ยคนกลัวขนาดกลัวผีถามว่าเคยเห็นมนะั้ยไม่เคยแล้วผีมีมั้ยมีสิทำไมล่ะถ้าไม่มีเขาจะสร้างหนังผีเหรอมือน่าพักขนงเห็นไหมถามว่าทำไมจึงที่สรุปว่าผีมีเนเราเรียกว่าทิฏฐิความเห็นความเข้าใจ ถามว่ามันมายงไังไงมันมาจากคิดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่เรื่องโดนหลอกแต่ละครั้งนั้นก็เก็บไว้อันนั้นคือสังกับป่ให้ข้อมูลแต่ละอย่างแต่ละอย่างสมมติว่าเราจะให้ใครเข้าใจเผิดใครเราก็ให้ข้อมูลทีละนิดให้เขาคิดถึงคนนั้นในแง่ในกระตีทีละนิดะนิดคนนี้คบไม่ได้ทำไมทูสิแม่ตัวเองตายจัดงานศพไม่ร้องไห้ทักแอ๋เดียว ต่อไปถ้าคบแก่แก่ตายมันก็ไม่ร้องเออจริงไหมชักเริ่มยังไงยังไงแล้วนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าสังกับปะไม่ดีคิดผิดต่อไปมันก็จะสรุปว่าคนนี้คบไม่ได้นั่นคือมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิในเรื่องนั้นๆเกิดขึ้นเพราะไม่คิดให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นการคิดที่มีถูกต้อง จากข้อมูลที่ฟังมาไม่ถูกเนี่ยมันก็มาได้บทสรุปที่ผิดอย่างนี้ก็มีและบางทีนะมันสลับกันอีกถ้าเราเข้าใจใครถ้าเราเข้าใจผิดใครเนะี่ยแบบไ ม, ไม่ไม่กินเส้นกับใครต่อให้คนนั้นพูดดียังไงเราก็แปลทัญญาณเป็นมันดูถูกเราธรรมทักเราธรรมพูดดีตกหัวรูปหลัง เพราะมันแอตติไม่ดีมิจฉาทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องความเห็นที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมันก็คิดแต่ไม่ดีเรื่องดีๆทาเป็นเรื่องไม่ดีหมดในสมัยพระพุทธเจ้าพระไปบินทบาตพระท่านอยู่ในป่าในป่าเนี่ยนะปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าพอรุ่งเช้าท่านก็นจะบินธบาต เดินออกจากป่าเข้าสู่หมู่บ้านเข้าสู่หมู่บ้านดินธบัดเช้ า, น, า, ชานั่นแหละในพรานก็ออกจากหมู่บ้านเข้าป่าไปล่าสัตว์สวนกันทุกวันแล้วพรานันนี้แกเป็นมิจฉาทิฐิไม่นับถือพระเจอแกนับถือศาสนาอื่นเจอพระทีัยแก บ, บอกตัวสวยมาแล้วแล้วมันก็แปลกจริงๆวันไหนเจอพระนะ ยิ่งนกไม่ได้ทักตัว่วไอสัตว์อื่นๆทั้งหลายหนีหมดไม่เข้าใครเฮ่ทำไมเป็นอย่างนั้นมองเห็นพระเป็นสวยและแกก็ตั้งใจนะพอเห็นพระปุ๊บวันนี้ดูไม่จะสวยไหมไมันสวยจริงๆแกก็ยิ่งคิดหนักเลยไอความคิดของแกมันก็ไปเพิ่มไอความเข้าใจผิดมากขึ้นอะไรเขาเรียกว่า reinforcement เสริมแรงในทางนก g a เพิ่ม้าไปเรื่อยทฤษฎีเสริมแรงของจิตวิทยาเพิ่ม้าไปเพิ่ม้าไปในสุดมันก็เป็นภาพมิชฉาที่ดีที่ชัดเจนถึงขนาดคิดฆ่าพระอะไรเกิดขึ้นกรรมมันตะทำผิดแล้วใช่ไหมคิดผิดเข้าใจผิดก็คิดผิดคิดผิดก็พูดผิดพูดผิดก็ทำผิดพลานทำผิดคือฆ่าพระ พอพระสวนทางมาน่ะแกมีสุนัขล่าเนื้ออยู่ฝูงหนึ่งพอเห็นพอเห็นพระก็วันนี้เลยไม่เอาไว้ปล่อยสุนัขทั้งฝูงเลยนะสุนัขล่าเนื้อน่ะสี่ห้าตัวทั้งฝูงโอ้โหคิ้ว ง, งงมันไล่งับพระมาก็เป็นฝูงพระพอเห็นสุนัขมาเอาจริงก็จะไปซ้า ย, ยังหนอขวา ย, ยังหนอได้ไงเราวิ่ง <c oughs> วิ่งเลยตอนนั้นท่านอนุญาตโธ่หลงพ่อตยววัดหน้าตั้งวิ่งแล้วขึ้นต้นไม้เลยปุ๊บนั่นปุ๊บเดียวไปอยู่เป็นยอดไม้ต้นไม้ก็ไม่สูงมากนะสุนทรก็มาล้อมเห่ากันพวกตะเกาวีตะกายไงแหะพารนมันไล่จริงๆมันมีหอก ห อ, อกที่จะล่าสัตว์เนี่ยนะมันมีทั้งห อ, อกทั้งธนูนะ่ถือห อ, อกมานะเห็นพระยืนอยู่นะมันกิ่งไม้เนี่ยเอาห อ, อกแทงเท้าพระแทงเท้าซ้ายท่านก็ยกเท้าซ้ายขึ้นเอาเท้าขวาเหยียบก็แทงเท้าขวาอีกโหนทีนี้พรโหนเนี่ยจีวรเนี่ยที่ผมอยู่างนี้มันหลุดลงลงไปคลุมในพราน สุนัขเนึกว่าพรานตกมาก็ลุ่มกัดเนื้อว่าพระตกกัดกินใหญ่เลยไอ้สิ่งที่อยู่ในจีวรเนี่ยเนี่กุงกินกุ้งกุ้งกุ้เหลือแต่กระดูกต้องสี่ตัวมึงห้าตัวมันกินหมดเลยนึ้ว่าพระล่วงเห็นจีวรหลืองๆปุ๊บ <c oughs> ง่มเลยเ <c oughs> หลือแต่กระดูกกินอิ่มแป้แล้วไปไหวนอนรอเจ้าของสุนัขเ น, น, นี่นะพระนี่เนี่ยเลือดโชกบนที่เท้าเนี่ย ให้สุนัขไม่ไป ท, ทักทีก็หักกิ่งไม้แห้งน่ยโยนปุ๊บไปปุ๊บไปสุนัขมันได้ยินเสียงมันก็มองอนั่นไม่ใช่เจ้าของเราเจ้าของเราอยู่ไหนในทองมันก็ร้องงิวิ่งงนีงไปพระก็ลงมาไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้ฟังว่ามอมฉันทำให้คนตาย ไม่ทราบว่าเป็นอาบัตขาดจากความเป็นพระหรือไม่โยมว่ายังไงพระขาดไปเนี่ยเขาข้างพระ <c oughs> นี่เห็นไหมใครทำอะไรพระได้ผลยังไงรู้เปล่า <c oughs> นินทาพระก็จะโดนเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> น, น, นี่ให้ทุกข์แกท่านทุกนั้นถึงตัวยิ่งทํากับพระหนักขนาดนี้แหละพระพุทธเจ้าพระพเจ้าบอกว่าไม่เจตนาไม่เป็นอาบัติแต่เรื่องนี้ก็เห็นว่ายังไงพรานเนี่ยรับกรรมรับผลเพียงเพราะตัวเองเนี่ย เข้าใจผิดพระเป็นตัวนำโชคร้ายมาให้แต่และ ว, วันแต่แล้ววันพอเจอก็มาก็คิดในสายนั้นดายอยู่นะคิดดายอยู่นะนะคิดผิดไม่ใช่คิดดีล่ะทุกวันทุกวันมันก็เสริมเข้ามาใส่เข้ามาเก็บภาพที่วีดีไม่มากในสุดเป็นศัตรูโดยที่พระไม่ได้ทำอะไรให้ถึงขนาดฆ่ากันเพราะฉะนั้นคิดถูกต้อง มองอะไรในแง่ดีซึ่งเคยพูดไวมากแล้วแผ่เมตตาต่อกันมองกันในแง่ดีอะไรปีใหม่แล้วรู้จักให้อภัยต่อกันที่ว่าเวลาเขาทำอะไรต่างๆนี่ลืมและให้อภัยเรื่องไหนพอจะ forget and forgive ช่างมันปล่อยมันไปก็แล้วกันไปเห็นไหมเราไม่ได้ไม่ต้องคิดในทางร้ายไม่เก็บเอาไว้ เวลาสังเกตอาตมาเนี่ยนะเมื่อวานนี้คุยกับกองสุลใหญ่ตอนนั่งไปคุยกันหลายๆเรื่องมีเรื่องหนึ่งที่อาตมาพูดถึงแขกคนอินเดียเนี่ยนะพูดเก่งพูดภาษาอังกฤษเนี่ยก็นึกว่าโอ้ภาษาอังกฤษเขาเก่งนะไม่ใช่ โดยธรรมชาติเนี่ยแขกช่างพูดไม่ว่าภาษาอะไรทั้งนั้นเยอท่านอยู่ในที่ทำงานท่านเน่ใครพูดมากที่สุดเวลาประชุม <c oughs> อัตมาที่ประชุมเนี่ยทั่วโลกมาหลายที่หลายทางเนี่ยแขกนเวลาบรรยายนาชาติเนี่ยคนยกมือถามคนแรกกับแขกเพราะฉะนั้นเนี่ยคน ที่ว่าพูดเนี่ยพูดพูดพูดพูดเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยบางคนนี่พูดไม่ดีแต่ทําดีก็มีบางคนทําดีทำงกงกงกแต่ไม่พูดใช่ไหมบางคนทั้งไม่ทํำไม่อะไรแต่พูดไม่ด้วยก็มีใช่ไหม แต่เราจะหาคนที่ทั้งคิดดีพูดดีทำดีแต่มาชอบที่ว่าแขกนี่นะถึงพูดมากพูดไมด่ดีด่ากันทะเลาะ ก, กันแต่แขกจะมีลักษณะอย่างหนึง่งไม่ใช่คนชื่อแขกนะ <c oughs> <c oughs> แขกอินเดีย <c oughs> แต่จะมีลักษณะอย่างหนึง่งคือถ้าใครไปอินเดียเลยนะไปสังเกตอย่างเวลาแขกทะเลาะ ก, กันเนี่ย ด่ากันใหญ่เลยนะกูกลางถนนถนนทางลเลีงลุ่งเลียงเลงเั่นเลยคนก็จะมามองดูกันหนึ่งชั่วโมงด่ากันหนึ่งชั่วโมงถึงผักอกกันหนึ่งทีพอดา่าครบสองชั่วโมงต่างคนต่างไปอาตมาอยู่อินเดียเจ็ดปีไม่เคยเจอแขกต่อยกันรุนแรงในทางวาจาจริงทะเลาะเราเนี่ยนะบางทีเนี่ยอาตมา ทะเลาะกันนี่นะไปยืมหนังสือห้องส ม, มุดมันไม่ให้โอ้ยอยแล้วก็ว่ามันอะไรมันเดี๋ยวมันก็เราว่าแรงๆมันก็ไปหยิบมาวางครุง่งนะรู้จักกนะันนี่นะรุ่งขึ้นแล้วไปยืมยิ้มให้และเขายิ้มให้ละพักหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแขกนี่ใจเย็นที่สุดในโลก ในแง่ใครที่ไปอินเดียมาแล้วนี่จะรู้นะท่านไปติดต่องานไปขอฟอร์มสำหรับกรอกอะไรก็ตามฟอร์มมันก็วางอย่างนั้นเขาก็จะบอกเอกมิน e ิทเอกก็คือวันภาษาภาษาแก่แขกก็คือเ e อและผสมกับภาษาอังกฤษเขาจะพูดเอกมิ u ิ e <laughs> ถ้า เอ็กนิทหมายถึงรอหนึ่งชั่วโมงไปดื่มช้าเข้าไปนูน่นไปนี่หนึ่งชั่วโมงไปหยิบฟอร์มให้เราถ้าแขกพูดว่ามาทูมารโรหมายถึงอีกเจ็ดวันค่อยมาอันนี้เรื่องจริงนะใครที่อยู่อินเดียนี่ถามอาจารย์บรรจุอาจานย์อาจจะติดมาบ้างก็ได้ <kę eras> ผมกลับมาหลายปีแล้วค่อยๆหายไปบ้างใหม่ๆก็ติดเหมือนกันนะท่า น, น, นใช่ไมมันจะอย่างนั้นแล้วมันก็จะใจเย็น <preocup> ถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าเราไม่เข้าใจแขกนะเราก็เพราะฉะนั้นประเทศอินเดียเนี่ยมันจึงอะไรนี่มัน โมตาอะะโมตาบริซึมนี่นะโมตาบริซุทิ์เนี่มันช้าจะทําอะไรทั้งทีเม่บริซึมช้าโอ้ปรากฏว่าเกิดเฮ้เราจะอยู่ก็ได้อย่างไรก็ถามว่าทําไมประเทศ ค, คุณเป็นอย่างนี้ คำตอบก็คือว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้อินเดียไม่ได้เอกราชสมัยมหาตรรมคันธีจะปลดแอกจากอินเดียนั้นสู้กันโดยอหิงสาสู้โดยเรียกว่าไม่ทำอะไร non resistance non ดื่มแห้ง สั่งให้ทำอะไรไม่ทำนั่นนั้นดื้อย่างเดียวเดินเข้าแถวตีคห้มันตีหัวไม่ดูลยดังเรื่องกันทีเลยไม่ต่อสู้แมะแต่นางต่งไม่ร่วมมือกับผู้ปกครองต่างชาติที่มาไม่ยอมให้ระบบมันฟังชันทำงานใดใดทั้งสิ้นช่วยให้มันมากที่สุดจนังติดทนไม่ไว้ยอมโดยติดนิสัยอีกแค่จนวันนี้ยังแก้ไม่หาย จึงไม่เคยเห็นที่จะใช้กระบวนการที่เรียกว่าดื่อแห้งนี่นะอย่างสันติเท่ากับอินเดียส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีเมื่อไรควรจะพอนั่นคือสิ่งพูะเจ้ากาลังถามหาในคำว่ามัชก็คือมัชชิมาปฏิปทาคิดดีพูดดีทำดีแค่ไหนจึงมัชชิมาพอดี มักมีองแปรนี่คือทางสายกลางนะที่จะมาพูดมาเข้าใจดีคิดดีพูดดีทำดีขนาดไหนถึงจะพอบางคนนี่สับสนว่าขนาดไหนจะพอบางคนนี่หาจุดไม่ได้อย่างนิทานไทยๆครับพ่อตากับลูกเขออยใช่ไหมไม่ถูกกันพ่อตามีลูกเขยสองคนลูกเขยเอกกับลูกเขยโทไอ้ลูกเขยคนโตนี่ถูกนิสัยกับพ่อตามันชอบประจบนั่งภายเรือ พายเรือไปทัวตามลําคลองพ่อตานั่งกลางลูกเขยนั่งหัวเรือพายคนแรกก็ลูกเคยคนคนโตคนคนท้ายก็ขัดท้ายไปพายไปเสร็จแล้วก็คุยกันไปแม้ถ้าคุยอะไรเนี่ลูกเขยคนโตนี่จะขอรับกับผมเป็นที่ถูกใจพ่อตาอยากได้สมบัติเอาใจ พราไอ้ลูกเยขยคนเล็กถามอะไรเนี่ยมันคัดคออยู่เลยไม่ไม่อยากจะคุยกับมันเพราะฉะนั้นคุยกับพ่อตาแอ้พ่อตานี่คุยกับคนแรกคนข้างหน้าพอดีนั่งเลยได้ยินเสียงหานมันร้องดังหูหานร้องดังพ่อตาก็หาเรื่องคุยถามลูกเขยคนโตบอกเอ้ยลูกเอ้ยทาไมหานมันถึงร้องดังเหลือเกินลูกเยขยคนแรกก็บอก พ่อครับไอสัตว์คอยาวๆมันก็ร้องดังทุกตัวหละครับเคยเคยเรกก็บอกไม่จริงหรอกพ่อตึงอ่อางคอสั้นนิดเดียวมันยังร้องดังจะตายพ่อตากระ <c oughs> ลิงโงมเป็นยังไงซะแล้วไปอีกทังภาคหนึ่งไอ้ชายฝั่งนี่นะมันมีหญ้าขึ้นเขียวคลึม เฮถามลูกเคยคนแรกแล้วเคยคนโตไม่ทํำไมชายฝั่งนิย่ามันงามกว่าตรงนู่นนะคิวจริงๆให้ควายมากินคดีมันทํำไมมันงามแล้วเคยคนแรกกับพ่ออะไรที่มันโดนน้ํารถบ่อยๆมันก็งอกงามเป็นธรรมดาเคยคนหลังกับผมไม่จริงกับพ่อที่หัวพ่อโดนน้ารถจังหวัดเมียนมันงอก ท่านก็ด่าว่ามันเกิด อ, อะไรขึ้นในเรือรดน้าอยู่ทุกวันเนี่ยไม่เห็นมันก็ออกเลยพ่ออจุดกึ่งกลางมันอยู่ตรงไหนพูดขัดไปขัดมายอย่างนี้ถ้าลองหาดูน่ะจุดประนีประนอมมันอยู่ตรงไหนเเคยเล็กกัเขยใหญ่เนยมันจะดีอยู่บ้านเดียวก็ได้ยังไงไม่กินเส้นกันอจะมีทีนี้เรื่องคล้ายๆกันคงเจอ คงจื้อเดินไปเดินทางแกชอบเดินสอนไปตามเมืองต่างๆขงจื้เดินไปเดินทางแกชอบเดินสอนไปตามเมืองต่างๆเห็นคนตัดต้นไม้ตัดก๊ก็ก็ตัดต้นไม้ในป่าน่ะตัดกิ่งไม้ต้นไม้ลูกลูกศิษย์ก็ชี้ให้คงจื้ดูท่านอาจารย์สังเกตไหมว่าเขาตัดต้นไม้ไม่หมดเหลือบางต้น เหลือบางต้นบางต้นไม่ตัดนะก็บอกว่าคงจื้อบอกอะไรรู้เปล่าเขาตัดนะเขาตัดแต่ไม้ที่มันคดทิ้งไปอะไรที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยเขาตัดทิ้งตัดทิ้ง ที่มีประโยชน์จะอยู่รอบที่มันตรงเราจะเก็บเอาไว้อ้าวไปเดินไปอะไรที่มีประโยชน์จะถูกทำลายอะไรที่มีประโยชน์จะถูกรักษาก็อย่างนั้นปรากฏว่าไปอีกที่หนึ่งตัดแต่ไม้ตรงเลยละไม้โคตรแมว ไม้นี่มีประโยชน์นะอาจารย์เอาไปทําบ้านขเขาลยตัดจาันจะว่ายังไงนี่คงชื่อให้จะโตยังไงก็เฉยแมพอไปถึงบ้านทําอาหารเลี้ยงเจ้าของบ้านทำอาหารเลี้ยงข่าไก่เลี้ยงก่อนจับไก่เขาก็บอกว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ยองขันไม่มีประโยชน์เชื้อดิบกินซะเลย ลงหม้ อ, อกแกงไปเลยตัวที่ไม่มีประโยชน์ของชื่อก็บอกลูกสิ์เห็นไหมในที่สุดไอ้ที่มีไม่ไม่มีประโยชน์มันก็โดนเชือดก่อนไอ้ที่มีประโยชน์นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นจงรู้ของชื่อจังพูดว่าเมื่อไรควรจะทําตัวให้ไม่มีประโยชน์เหมือนกับไม้เเหมือนกับไม้คดที่มันรอดเมื่อไรควรจะทําตัวให้มีประโยชน์ เหมือนกับไม้ตรงที่มันลอดในแต่ละสถานาการณ์ตอนไหนเขาจะจัดงานเป็นประธานหาคนเก่งๆจงทำตัวไม่ให้เก่งสายตาไม่พอดีบางคนบางคนเป็นอย่างนั้นจุดยากก็คือที่องจื้อพูดไม่ได้ก็คือว่าแล้วเมื่อไรจะทำให้มันพอดี ระหว่างประโยชน์กับไม่มีประโยชน์คุณไม่มีประโยชน์โดยสิ้นเชิงเขาก็ทำลายคนทิ้งมีประโยชน์มากเกินไปเขาก็ใช้มากบางทีก็โดนทำลายเพราะการใช้เทศไม่ได้หยุด <c oughs> องค์อื่นนั่งเฉย <c oughs> ไม่ช่วยกันเทศไปไหนกลับมามาถึงจาย์งานศพวันนี้ขึ้นเทศดวน ย, ยังไม่ทันตั้งตัวเลยอย่างนี้ก็มีไหนๆจะไม่อยู่วัดนี้แล้วจะกลับแล้วเทศลาแล้วรู้สึกจะไม่เคยมีคนนั่งแถวหน้าในวันนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยหาจุดพอดีมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเข้าใจดีเข้าใจถูกปรับความเข้าใจกันมันก็จะทำให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อกันเพราะมันจะทำให้การคิดที่ดีตามมาพอเรามี attitude คือทิฏฐิที่ดีต่อใครเราก็จะมองคนหนึ่งนั้นในแง่บวก แต่ถ้าเรามีความเข้าใจที่ไม่ดีต่อใครจะมอนงนแง่ลบเหมือนกันในภรานที่เห็นพระแล้วคิดในทางไม่ดีสวยแล้วเสร็จแล้วพอคิดในทางไม่ดีมันก็ทำไม่ดีพูดไม่ดีด่าพระทำไม่ดีออหอกไปไล่เห็นไหมมันเป็นกระบวนการเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยชีวิตพอมันคิดเข้าใจผิดทิดถ ท, ที่ไม่ถูกต้องคิดผิด พูดผิดทำผิดมาเป็นกระบวนการการปรับคือปรับอะไรปรับความเข้าใจเพื่อนที่ไม่พูดกันทะเลาะกันอะไรกันปีใหม่นี่ปรับความเข้าใจต่อกันส่วนดีของแขกแขกอินเดีย <c oughs> ก็คือว่าด่ากันแล้วทิ้งไว้ตรงนั้นลุ่งขึ้น เรานึกว่าจะต้องเป็นกรรมการมาปรับความเข้าใจเปรา่ามันคุยกันก่อนแล้วปล่าความเข้าใจกันมีลักษณะเหมือนกับฝรั่งอย่างหนึ่งในที่ประชุมเนี่ยนะเทียงกันเทียงกันนะเที่ยงแล้วก็ลืมเทีย่ยงไว้ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ลืมเลยเทีย่ยงในครั้งหนึ่งเก็บไว้ครั้งหนึ่งหลังกระเป๋าคิดไม่ดีละครั้งที่สองก็ไม่ดีครั้งที่สามไม่ดีพอถึงฝางเส้นสุดท้าย ตอบเลยนี่เนี่ยฉันให้แกหกนามาหาคนแล้วนะอุสาเงียบแล้วอ๋อจะไปรู้เลยว่าแกเก็บจำแม่นเนี่ยเนี่ะพอมันเป็นภาพพมาแล้วเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยอย่าปล่อยจนนาทีสุดท้ายปรับความเข้าใจกันก่อนคุยกันก่อนก่อนที่จะเกิดภาพรวมบทสรุปเป็นความเข้าใจเป็นทิศทีที่ไม่ถูกต้อง มีเรื่องอะไรควรที่จะเคลียร์ก็เคลียร์กันก่อนนี่คือข้อสาคัญอย่าให้เก็บเก็บเก็บเก็บไ้แล้วมันจะเป็น reinforcement ในทางนิ่งีฟเสริมแรงสร้างภาพในทางไม่ดีเมื่อเข้าใจกันถูกต้องคิดถึงเขาก็เป็นเรื่อง positive ทางที่ดีพูดก็ดีพูดก็สร้างสรรค์ต่อกันมีหลักของการคบกันอยู่่ะ โราเขาสอนรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อรักยาวให้บันรักจะคบกับใครยาวๆให้บันคำพูดให้สั้นลงไม่ใช่คุณด่ามาคำฉันด่าตอบสามคำกลัวขาดดุลตบมาหนึ่งฉันเตะ ต้องให้อภัยกันตัดคำพูดประหยัดหลงรักถ้าจะคบกันยาวให้บันรักจะคบกันสั้นๆให้ต่อความยาวสาวความยืดทีนี้ถ้าเราไม่อยากจะคบกับใครเราไม่อยากจะคบอันดับสแตนดิ้งมันไม่ดีแล้วมันไม่เข้าใจกันแล้วไปยังไงสังเกตทะเลาะกันเดี๋ยวก็มีปัญหา คำพูดการกระทํามันก็ตามมาทีนี้ตรงนี้เนี่ยได้ให้ภาพไว้ว่าคนพูดทําอยู่ที่ความคิดมาข้อต่อไปเนี่ยรวบไปเลยเนะสี่ข้อเลยนะไปข้อที่ห้าข้อที่ห้า สัมมาอาชีวะทำงานดีอาชีพดีงานที่เราทำเนี่ยถ้าทำให้ดีทำยังถูกต้องเนี่ยมันจะสนุกถ้าท่านมีสัมมาทิฏฐิ่กับงานนี่นะคือเข้าใจงานท่านสังเกตไหมว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยการแบ่งงานกันคนละส่วนละส่วนเนี่ยคนนี้ก็ทำเฉพาะน็อตตัวนี้ คนนั้นก็ไปทําตรงสายพานตรงนั้นคนนั้นก็ไปทําเฉพาะจุดนั้นห้องนั้นคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยคนที่ทํางานจะเบื่อเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทําเพื่ออะไรสิ่งที่ถูกต้องก็คือต้องมีการประถมนิเทศมีการแสดงว่าจุดที่คุณอยู่เนี่ยมันสําคัญต่อระบบทั้งระบบอย่างไรถ้าคุณทําพลาดเพียงที่เดียวจุดเดียวเนี่ย มันกระทบทั้งหมดอย่างไรให้คุณภูมิใจบางคนนี่เรียกร้องความสำคัญใช่ไหมถ้าไม่รู้ตัวเองเนี่ยสำคัญมีประโยชน์ก็จะไม่ทำแต่ถ้าเราบอกว่านี่นะงานของคุณส่วนของคุณเนี่ยมันสำคัญกับวัดทั้งวัด วัดทั้งวัดเนี่ยสําคัญเพราะคุณอยู่จุดไหนก็ตามสำคัญทั้งนั้นมันก็จะเกิดกำลังใจเห็นภาพรวมที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกต้องบทบาทหน้าที่ของตนเองเมื่อมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ไม่ต้องอะไรมากที่วัดมหาธาตุเนี่ยที่มตมาอยู่ใครจะเข้าวัดนี่ยากนะใครจะไปมหาจุฬาเนี่ย ที่จอดรถเต็มจริงไม่เต็มหรอกมาหาใครแค่น่้นนะเขาถือว่าเขาสำคัญที่สุดถ้าเขาไม่เปิดประตูสักอย่างใครก็เข้าประตูไม่ได้แม้แต่จเจ้าอาวาสเห็ น, นพราะถ้าไม่คิดอย่างนี้เนี่ยมันน่าเบื่อนะวันวันหนึ่งก็มีแต่มาส่องดูใคร เปิดประตูปิดประตูมันต้องหาเกมเล่นบ้างทำเป็นเรื่องสำคัญแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญแก่เขาอย่างไรมีเลขาบางคนนะภูมิใจเหลือเกินที่ได้เป็นเลขาพิมพ์ดีตถามว่าทำไมคุณถึงภูมิใจเพราะว่าในออฟฟิศนี่นะ ใครจะได้เลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มนี่เลขารู้ก่อนเพื่อนแล้วเพื่อนมันก็ต้องมากับซิปเราเพราะเราเป็นคนพิมพ์มือนะเราก็ต้องทำเป็นเก็บความลับบอกนิดหน่อยสาคัญจริงๆแล้วช่วงที่เมืองไทยเนี่ย ประชุมพระเถเรซผู้ใหญ่เพื่อนเลื่อนพระเป็นท่านเจ้าคุณกันเนี่ยไม่มีประกาศเป็นทางการแต่ข่าวรั่วละอรรมานี่รู้แล้วท่านเจ้าคุณอาจารย์พมมาได้เป็นเจ้าคุณแล้วนะรู้กันหมดอลยเตรียมฉลองแล้วกระซิบโยมได้เลยถามว่ารู้มาจากไหนคนขับรถพระพบพระออกจากที่ประชุมรับมาปุ๊บท่านก็ น, นั่งคุยกันเบาหลางังคนขับก็ทําไปไม่ได้ยิน ปีใครจะเลื่อนอะไรนี่ลูข่าวรั่วจากคนขับรถพระอันนี้เรื่องจริงนะปิดกันแทบตายกองเลขาลืมคนขับร <c oughs> ถทําไม่ไรู้ไม่ได้ยินท่านนะ <c oughs> คนขับรถเนี่ยรู้ความลับเจ้านายมากที่สุดและท่านอยากรู้อะไรไปกระซิบถามนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็มีความสำคัญนะเขาได้นมา เดี๋ยวมองข้ามคนเหล่านี้เขาก็ภูมิใจโอ้เพราะฉะนั้นขาวลวอแล้วรู้เตรียมได้เลยฉลองงานจะมีความหมายไม่ได้อยู่ที่ตัวของมันเองอยู่ที่เราเข้าใจความเป็นมายอย่างไรสัมพันธ์อย่างไรบทบาทอย่างไรเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นถ้าวันไหนเราเบื่อเราเกงเราชีวิตที่มันไม่มีความหมายของท่านที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะบ า, บางทีบางครั้งชีวิตมันมีนิ่งเลสเพราะมันจะต่างจากจุดหนึ่งของคนที่มันจะมีจุดหนึ่งที่เราเรียกกันว่าชาตินิยมเนี่ยนะบางทีไม่รู้จะหาความหมายอะไรก็ทำเพื่อชาติ <c oughs> ลำบากแทบตายโดนโกงแทบตายขุดเรียกแทบตายทนไว้เพื่อประเทศชาติแต่ถ้าเรามาอยู่นี่ เผื่อใครคนอเมริกันเขาอยู่ที่นี่เพื่อชาติมีเครื่องบินลําหนึ่งเค้าบินทหารอนาชาติบรนทุกไปเล่นๆๆไปเครื่องบินทหาร Mission Impossible ปฏิบัติการลับสุดยอดที่ทหารนานาชาติเพราะกฏว่าพอไปเข้ามาแล้วเครื่องบิน โ ท, ทบไปสักพักหนึ่ง <c oughs> ปรากฏว่าน้ำมันชักจะไม่พอถ้าเครื่องบินหนักกว่านี้จะบินไปไม่ถึงที่หมายก็ทิ้งสัมภาระกันอะไรที่ไม่จาเป็นทิ้ ง, ง, งให้เครื่องบินเบาเยังไม่ได้ต้องมีทหารคนใดคนหนึ่งในลำนี้สละชีพโดดเพื่อให้เครื่องบินเบา แม่ทหารสวรัค์เขาภูมิใจในตัวเขานะเพื่อเทวีสันทิพย์สันติภาพเพื่อประธานาธิบดีอะไรก็ว า, ะ ร, ร, าระสมรู้น์ข้าพเจ้าขอเสียสละเพื่อส่วนรวมโดดไปเลยเขาเสียสละชีิตเพื่ออะไรทหารรัสเซียยืนขึ้นไม่น้อยหน้าเพื่อเลนินโดดไปเลยทีนี้ก็เหลือทหารหนึ่งนะมองหน้ากันเอาใครอนะมอง ทหารไทยบ้างลุกขึ้นยืนเพื่อกรุงศรีอยยาเพื่อพระนเรศวรว่าแล้วก็ถีบทหารพมา่าตกลงไป<ร>อย่างน้อยก็เพื่ออะไรจะทำอะไรทั้งทีก็ต้องให้มีความหมาย ทีนี้ถ้าคิดไม่ดีเนี่ยนะฮะพูดไม่ดีเข้าใจไม่ดีทำไม่ดีมันก็บางทีผลมันก็ออกมาไม่ดีเพราะอะไรเพราะความที่ว่าพูดไม่ดีคิดไม่ดีทาไงคือคิดด้วยโลกมากเกินไปโกรธเกินไปหลงเกินไปม่านบังตาจ้องแต่จะทำร้ายคนอื่น มุ่งจะทำลายคนอื่นไม่ได้คิดถึงความเป็นจริงก็มีคนบางคนเนี่ยมุ่งแต่จะว่าคนนู้นคนนี้แต่ไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้ดูลูกตัวเองว่าแต่ลูกคนอื่นบังตา การคิดมุ่งไปทางใดทางหนึ่งจนเกินไปเนี่ยที่เราเรียกว่า obsession เนี่ยหนักไปไม่มัจฉิมัจฉิมาเนี่ยโคมุ่นมกมุ่นในอำนาจประสัิธ์กรุงโรมเนโรจกักรพัฒดโรมนะอำนาจมากเกินไปบ้ามากเกินไปวันดีคืนนี้สั่งเผากรุงโรมเพื่อดูว่าเวลาไฟไหม้นี่มันจะลุ ก, กโกลรี่อย่างไร เราจะมาไปที่สวีเดนเมื่อเดือนจูนไปไประชุมนานาชาติไปเจอพิพิธภัณฑ์เรือชื่อเรือวาซาเรือวาซานี่นะทำด้วยไม้โอ๊กทั้งลำอยู่ในเต็มลำ ตรงนั้นเอามาต่อกันสีดำสนิทประหลาดตรงที่ว่าเรือลำนี้จมอยู่ใต้ทะเลในอ่าวที่สตอกโฮมสามร้อยยี่สิบกว่าปีไม่โอ๊กทั้งลำเรือใหญ่เป็นเรือลบจมอยู่ในทะเล พศ600เสสร้างโดยพระเจ้ากุสตาฟลงทุนสร้างเนี่ยนะฮะใช้เวลาสร้างอยู่3ปีเรือลำนี้ใช้งบประมาณในการสร้างเนี่ยถ้าคิดเป็น GNP เนี่ย 5% ของรายได้ประชาชาติตัดต้นโอ๊กประมาณพันต้นสร้างเรือรบ ตอนนั้นกำลังรบกับฟินแลนด์และรบกับเยอรมันเป็นฝ่ายโปรเตสแตนต์จะสู้กับฝ่ายแคทอลิกที่หัวเรือนี่แกะเป็นรูปเซิงรูปกษัตริย์โรมันอะไรต่างๆยังอยู่สามปีในเรือนั้นเรือนี้ยาวประมาณทักแปาเจ็ดสิบเมตรเสากระโดงสูงตรงกลางเนี่ยหกสิบเมตร เป็นเรือสองชั้นปืนใหญ่อยู่สองชั้นชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนเจาะเป็นช่องแล้วก็ปืนใหญ่หนักแต่ละกระบอกหนักหนึ่งตันโผล่ทั้งหน้าต่างไปหกสิบสี่กระบอกท่านลงคิดว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานี่อำนาจกรุงศรีอยุธยา ก, ก็สู้อย่างนี้ไม่ได้ปืนใหญ่รออย่างดีหนึ่งตันหกสิบสี่กระบอกต่างหน้าต่างสองข้างและไม่มีเรือลบไหนในโลก มีสองชั้นมาก่อนสมัยนั้นจะเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในทางทะเลเพราะการที่มีปืนใหญ่อยู่ชั้นที่สองนี่ยิงกดลงไปได้เปรียบพอสร้างเสร็จโอ้ยรอกันนะสามปีปล่อยออกจากอา่าววันที่ปล่อยนั้นคนมาเต็มอ่าวของสตอกโฮล์ม พระเจ้าพุตสตาร์ฟเองไปรออยู่อีกท่านเนึ่งบรรทุกทหารได้สี่ร้อยวันนั้นเอาลงไปแค่ร้อยเศษร้อยห้าสคนเป็นโอ้โหเต็มอ่าวมนี่ต่างชาติก็มาดูกันนงเพราะโอ้โหมาหาอำนาจสัญญาณุภาพพอปล่อยลงไปใบนี่มันมีอยู่หกใบใบใบเล็กใบใหญ่เรือนะมันจะขึ้นให้พร้อมเรือก็แ ล, ล่นออกจากอ่าวไปได้คนยืนดูกันเต็มหมด ไปได้หนึ 3, ่งกิโลเมตรกับสามหนึ่งกิโลกับสามร้อยเมตรหนึ่งจุดสามกิโลเมตรเริ่มออกจากอ่าวใหญ่เข้าเข้าสู่ทะเลเขาก็ขึ้นใบใหญ่เขาขึ้นใบใหญ่เท่านั้น เ, นยเลยเรือโอนเอ็นโอนเอ็นพลิกจมไปต่อหน้า ต, ต่อตาของคนที่ดูอยู่ทั้งเมืองหมดเลย จมไปอยู่ใต้ทะเลทะเลลึกสามสิบเมตรเสร็จเสากระโดงหกสิบเมตรเพราะฉะนั้นมันโผล่มาแต่เสากระโดงให้คนช้ำใจหมดเลยโอ้พระเจ้ากรุสตัพิโรธมากกริ่วมากตั้งกรรมาการสอบสวนทำไมปรากฏว่า ถามกับตันเมาหรือเปล่าไม่เมทาทหารเมาหรือเปล่าไม่เมาวันนั้นวันอาทิตย์พึ่งออกจากโบสกันทั้งหมด <c oughs> ไม่รู้จะอ้างอะไรอ้างพึ่งออกจากโบสแล้วทํำไมมันมันพลิกคว่ำพึ่งขึ้นเสากระโดงแล้วมันพลิกสแสดงว่าสตั๊เจอร์ของเรือไม่บาลานซ์กันพอโดนลมแล้วข้างบนหนะักลองท่านเอาเอากล่องไม่ขีดเนี่ยถ้าทําใบมาเนี่ยนะใบเล็ก ไม่ขีดไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นลายกล่องไม่ขีดถ้าทำให้บายบมันสูงเนี่ยมันก็พลิกท็อปข้างบนเนี่ยมันเฮฟวี่เรือมันจะไปได้เนี่ยเขาทำสักเจอให้ดูเลยท้องเรือสมัยก่อนมันจะต้องลึกลึกลงไปขึ้นอยู่กับระดับความสูงที่พ้นน้ำเพื่อให้บาลานซ์กันถ้าลึกไม่มาก ใช้หินถ่วงไอ้ตรงช่องว่างใต้ท้องเรือเนี่ยเอาหินถ่วงตุ๊กตาหินตามวัดไปยูนวัดอะไรต่างๆนี่มันใส่ท้องเรือสําเภาจีนมาเมืองไทยท่วงเรือนั่นแหละก็ท่วงไปแต่ขอโทษเถอะท้องเรือที่ออกแบบเนี่ยมันไม่เท่ากับไม่บาลานซ์กับข้างบนท็อป เพราะว่าออกแบบท้องเรือสำหรับปืนใหญ่ชั้นเดียวเหมือนกับตึกเนี่ยวางเสาเข็มไว้สำหรับสี่ชั้นแล้วไปต่อสะหกชั้นเหมือนที่โคราชชั้นเดียวทำไว้ชั้นเดีย ว, ยวแล้วเสร็จแล้วเป็นไงก็ไปเล่นงานสถาปนิกทำให้ทำอย่างนั้น กรรมการไปสอบในเมื่อคุณวางท้องเรือไม่เตียยไม่แลยหนึ่งชั้นทำไมคุณต่อไปสองชั้นทาพนิกเจ้าของบริษัทก็บอกว่าพระเจ้ากุาลสั่งเพราะสมัยก่อนเวลาเมื่อสามร้อยปีที่แล้วจะสร้างอะไรไม่มีบลูพ ր ินต์อยู่ในหัวคนนี่ไปเดินก็สั่งสั่งเหมือนอยากจะสร้างโบสก็เอ้าต่อตรงนี้สร้างนี่ น, นอยู่ในหัว เพราะฉะนั้นพระเจ้ากุสตาฟอยากจะให้เรื อ, อยิ่งใหญ่ก็มาสั่งเพิ่มทีหลังเพราะฉะนั้นคนที่ผิดคือใครอยากจะยิ่งใหญ่อยากจะมีอำนาจไม่คำนึงถึงความเป็นจริงเรื่องนี้ก็ปิดกรรมการสอบสวนยุติแค่นี้หาคนผิดไม่ได้ไม่มีใครผิดเพราะพระเจ้ากุสตาฟสั่งเสากระโดงมันสูงมาทำยังไง ให้ประดาน้ําดําไปตัดทิ้งไอเขาตัดทิ้งไปเลยนะแล้วพอตัดไปเนี่ยตัดลึกเกินมาหน่อยคนรุ่นหลังหาไม่เจอว่าเรือมันอยู่ตรงไหนมาเมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะใช้เออใช้ระบบเ อ, อของวิทยาศาสตร์เนี่ยดีเทคจนกระทั่งรู้ว่าเรืออยู่ที่ไหนก็ช้อนขึ้นมาใช้ลวดโซลิงลอดไปใต้เรือแล้วก็ยกขึ้นมาทั้งลำ แล้วก็มาทำพิธิพันธ์เนี่ยครอบไปเลยมิสคันคลูอิชันอย่างมหาศา์เสียหายระดับชาติคิดที่ไม่ถูกต้องผลงานก็ออกมาไม่ถูกต้องเพราะเจตนานั้นตั้งไว้ผิดเอาความโลภความโกรธความหลงลดลงไป งานดีนะต่อเมื่อเราเห็นคุณค่าของมันเป็นประโยชน์ของคนอื่นเป็นสัมมาอาชีวะงานดีนั้นสัมพันธ์กับอะไรเมื่อมีงานที่ดีมีชีวิตที่ต้องขยันทํางานนั้นทําสิ่งนั้นพูดดีทดําดีนั้นสัมมาวาจามขยันในทางที่ดีเรามีพลังงานเรามีเอนเนอทําีทำไงถึงจะใช้มันสร้างสารรค์ให้มากที่สุด ขยันดีก็มีขยันไม่ดีก็มีคนมางคนขยันแต่ไม่ดีขยันแล้วเป็นโทษเพราะตั้งจิตไว้ผิดเหมือนกับลิงทอดแหไงลิงมันเห็นชาวประมงทอดแหยอยู่ทอดทอดทอดอยู่อยู่ในเรือพอชาวประมงทิ้งแหไปที่อื่นลิงมันก็มาเรียนแบบชาวประมงเวียงแหยอย่างนี้ โคลมลงไปแห้มันมีลวดอมีอะไรอะไรต่างๆมีตามันมันก็มีโซ่ทวงก็คลุมลิงทั้งหมดตกจมน้ำไปโง่แต่ขยันขยันดีจะต้องมีสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นคำว่าทางสายกลางคืออะไรคือทั้งหมดนี่แหละมารวมกันเข้าด้วยกันจะขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ขยันอย่างเดียวแต่ไม่เข้าใจถูกต้องก็ไม่ได้คิดไม่ถูกต้องก็ไม่ได้พูดไม่ถูกต้องทำไม่ถูกต้องทั้งหมดนี่มันจะต้องเอามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเปรียบเหมือนกับอะไรเพราะฉะนั้นภาษาบาลีเขาจะเรียกว่า มักมีองแปดไม่ใช่คำว่ามักแปดมักแปดเป็นผู้หูพจนักมีองแปดเป็นเอกพจน์ภาษาอังกฤษ จ, จึงไม่เรียกว่า eight eight p a r t เขาเรียกว่า the eight the eight four p a r t เป็น s ิ n g u l a r ทางเดียวแต่มีแฟกเตอร์อยู่แปดอย่าง เป็นทางเอกทางสายเดียวที่นำเราไปร้อยเกลียวกันจากองค์เกลียวของเชือกเนี่ยแปดเกลียวแล้วทาเป็นทางสายเดียวเพราะฉะนั้นปัญหาชีวิตเรามันที่มันไม่พอดีมันอยู่ที่ไหนเราไปพิจารณาแต่ละส่วนวันนี้จะเป็นคนดีพูดดีสักวันแต่คิดไม่ดีนะฮะทำไม่ดีขยันเพื่อนกันแต่ว่าขยันอย่างโง่ เพราะฉะนั้นคําว่ามักนั้นองค์แห่งมักจริงๆเนี่ยมีทําดีคือมีศีลศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พูดสินนักามนี่เรียกว่าทําดีพูดดีคือมีศีลขอ้อศีลมูสาวาตสมมุติเราก็รับศีลอยู่ศีลห้าถามว่าเรามีองค์มักไหมบางคนไม่มีเพราะอะไรรับแต่ศีลอย่างเดียวรักษาศีลไปดื้อๆอย่างนั้นเนี่ย แต่สมาธิไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีสวดอิติปิโสไปอย่างนั้นเนี่จะได้ถูกหวยสวดมีสมาธิสวดเสร็จสวดเสร็จไปลงเรือใช่ไหมนี่อย่างนั้นเราจะเรียกว่า สัมมาสมาธิได้ไหมเพราะส่วนยังมีสมาธิอะ่ะองค์ประกอบทั้งแปดต้องร้อยลับเป็นหนึ่งจึงจะพอดีขยันแต่ไม่ดีขยันให้ดีต้องมีปัญญาคือสมาธิทิฐิที่ถูกต้องกำกับมีความคิดที่ดีเป็นตัวนำอย่างพระเจ้ากุสตาฟความคิดมันก็ไม่ถูกและจะเอาปืนใหญ่ไปยิงชาวบ้านเขาลืมดูตัวเองสร้างรใหญ่เลยการทาก็ไม่ถูกทั้งหมด เพื่ออะไรในส่วนนี้ขยันที่ถูกต้องต้องมีฐานจากฉลาดคนนี่มันมีสีป่ประเภทเคยพูดไว้ประเภทฉลาดขยันเกรดเอฉลาดแต่ขี้เกียจโง่แต่ขยัน ทั้งโง่ทั้งขี้เกียจสี่ระเภทดีที่สุดนะเอบวกเลเอทเวลเลยฉลาดและขยันไม่ให้ทำอะไรถ้าเป็นกรรมการให้ทำอะไรทั้งฉลาดทั้งขยันตั้งเป็นอะไรจัดงานทีหนึ่ง<อ>เป็นหัวหน้า โอ้ฉลาดเฮ้ยวางแผนแะงรต่างขยันไม่เคยใช้ลูกน้องทําเองหมดอ๋อทําไปแถมปลุกระดมลูกน้องด้วยเพราะว่าถ้าหัวหน้าทําลูกน้องก็ต้องทําหัวหน้าเอาแต่สังสรรคไม่ทําลูกน้องก็ไม่ทาเพราะฉะนั้นกองทัพเนี่ยนะเขามีทหารสี่ประเภทฉลาดขยันฉลาดเกียงโง่ขยงโง่ขี้เกียจทหารคนไหนฉลาดขยันเขาให้เป็นหัวหน้าเป็นแม่ทัพคุมกําลัง คนไหนฉลาดแต่ขี้เกียจกรรมการวัดให้ทำอะไรกองทัพเขาให้เป็นที่ปรึกษากรรมการที่ปรึกษาเอาไว้บริจาค <c oughs> ไม่ทําททำอะไร <c oughs> กองทัพเขาให้เป็นเสนาธิการแค่ให้ความคิดแต่ขี้เกียจทำ เวลามาประชุมก็มาพูดพ ด, พดเสร็จแล้วก็ไปละไว้ปรึกษาหน่อยอย่าไปเผลอมอบละไรให้ทานะทาให้ท ำ, นะทำหทำนะังสือปีใหม่โน่นแล้วปีใหม่หน้าถึงออกไอเดียดีนะแต่ไม่ทำประเภทนี้โง่แต่ขยันโง่แต่ขยันนี่เป็นหัวหน้าใหญ่ไม่ได้เป็นแม่ทัพไม่ได้ เดี๋ยววางแผนทิ้งลเบิดพวกเดียวกันม i s คันเคอ l a เ i ช n นให้เป็นอะไรโง่แต่ขยันให้คุมกำลังละดับล่างเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการหน่วยจรยุทธ์พวกแลมโบ้คอยลุยจะทะเลาะ ก, กับใครส่วนพวกนี้เป็นทัพหน้านะเอาไว้ทวงเงิน ใค ร, รใครลงชื่อแล้วยังไม่บริจาคส่งพวกนี้ลุย <c oughs> ขยันทวงเดี๋ยวมุ้นอีกแล้วโคันทนลำคานไม่ได้กับริจาคเองนะ <c oughs> ทั้งโง่ทั้งขี้เกียจทำอะไรเอามาเป็นลูกน้องไหม <c oughs> เป็นยามก็หลับยาม เป็นยามก็หลับยามเพราะฉะนั้นพวกนี้นี่ให้ทหารนี่เขาให้เป็นหน่วยลาดตระเวนมีกับระเบิดที่ไหนส่วนพวกนี้ล่วงหน้าไปก่อนไม่ทราบที่นี่ให้ทำอะไรแต่ละประเภทเนี่ยเพราะฉะนั้นขยันใช่ไหมฮะ ขยันดีที่จะดีเพราะอะไรต้องมีปัญญาคือสัมมาทิฏฐิความเข้าใจให้ถูกต้องมีสัมมาสงังกัปปะความคิดที่ถูกต้องกำกับแล้วก็จะทำให้พูดดีทำดีแล้วก็ทำงานดีขยันดีสติดีสตินั้นหมายความวรึกรู้ดีถูกต้องควบคุมตนเองให้อยู่กับเรื่องที่ทำ เมื่อตัวเองตั้งใจโปรเจกต์อะไรก็ตามที่จะทำงานแล้วเนี่ยนะมีปัญหาขึ้นมาบางคนนี่พองาน ย, กยากแล้วก็ทิ้งมีเรื่อง ย, กยากๆก็ไม่เอามีสมาธิดีคือความตั้งใจดีที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นสติความะระลึกเตือนตัวเองอยู่เสมอ และสมาธิคือความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องนั้นจะต้องมีไปในขณะเดียวกันทำเพื่ออะไรคำถามก็คือว่าเราหวังเราสร้างจะสร้างชีวิตเพื่อใครเพื่ออะไรนั้นถ้ามันมีปัญหาเราทำครบทุกข้อไหมในมัดให้มันเป็นองค์ประกอบรวมกันมุ่งไปในทางสายเดียวคือองค์แห่งมัด คือทางชีวิตที่ถูกต้องหรือเปล่ามีสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกต้องหรือไม่สัมมาสังกัปปะคิดถูกต้องคิดดีในเรื่องนั้นเข้าใจดีในเรื่องนั้นคิดดีในเรื่องนั้นพูดดีในเรื่องนั้นทําดีในเรื่องนั้นทํางานดีในเรื่องนั้นขยันดี ระลึกดีแล้วก็ตั้งใจดีระดมไปสู่จุดหมายเดียวกันถ้าทำดีในเรื่องของจิตวิญญาณมันจะเป็นโลกุตระมักเข้าสู่ความหลุดพ้นเป็นผู้พ้นโลกเข้าใจดีเรื่องชีวิตเกิดมาทำไหมเพื่ออะไรแต่หากว่าไม่เข้าใจที่ดีมีปัญหาอะไรก็ แก้ปัญหาไม่ได้สติสมาธิปัญญารวมอยู่ในมรรคแปดหมดสติคืออะไรคือความระลึกดีสมาสติสมาธิคือสมาสมาธิสมาธิที่คือตัวปัญญาสมมาการกขอ้อกระปากคือตัวที่จะทําให้เกิดความเข้าใจที่ดีเพราะฉะนั้นแปดข้อเข้าใจดีคิดดี พูดดีทำดีงานดีขยันดีระลึกดีแล้วก็ตั้งใจดีรวมกันเป็นองค์แห่งมรรคเป็นทางชีวิตที่ควร ด, ดำเนินถึงมีปัญหาก็แก้ปัญหามีสติสมาธิในนิทานชาดกนั้นพูดถึงคนที่มีปัญหาลิงลิงก็มีปัญหาชีวิตหากินไม่พอ วันหนึ่งก็หากินอยู่ฝ่ายเดียวไม่พอไปเลี้ยงลูกก็เลยแบกจ็อบทำเพิ่มมองไปที่กลางแม่น้าอยู่ริมฝั่งนะหากินตรงนี้ไม่พอขยายอนาเขตตัวเดียวแหละมันฉลาดมองกลางแม่น้ามันมีเกาะมีต้นไม้ขึ้นออกดอกออกผลลิงก็มองนี่ ทำไงถึงจะได้กินผลไม้ในเกาะเพราะมีสัตว์บกตัวไหนมันข้ามไปไปกินเพราะน้ามันเต็มลิงมันก็มานั่งมองอยู่พักหลายวันตั้งเกตตอนน้ำลดนี่นะช่วงน้ำลดเนี่ยเช้าก็เย็นน้ำมันลดมันมีตอผุดขึ้นมาระหว่างเกาะกับฝั่งเนี่ยมันมีหยุด มีตอโผล่ขึ้นมาหินโผล่เพราะฉะนั้นลิงมันก็โดดเหยียบหินโดดขึ้นมาไปหาอาหารกินเก็บน้ํำมันก็ขึ้นมาเต็มพอตกเย็นน้ํามันลดตอโผล่ลิงก็กลับขึ้นฝั่งทํางนี้ประจําจนมีเจระเข้ตัวหนึ่งตัวเมียตั้งครันตั้งท้องอยากกินหัวใจลิง แพ้ท้องก็ไปกระซิปสามีจระเข้บอกว่าจับลิงตัวนี้หน่อยเถอะนะมันแพ้ท้องอยากกินลิงจราเข้บอกจับอะไรไม่จับจับลิงมันไวจะตายก็นั่นเน่ยมันโดดอยู่นั่นเนะ่มันหินไปดักสิไอจราเข้สามีก็เอาได้การแล้วพอพอลิงขึ้นไปกินอิ่มตอนเย็นมันจะกลับ จร ะ, ะเข้ก็ไปมันมีก้อนหินที่ลิงจะต้องโดดนะจร ะ, ะเข้ก็ไปนอนทับก้อนหินถ้าลิงมาโดดมาที่ก้อนหินก็งับเลยทำนอนหลีตาดูหน่อยติดกับชายฝักกนนะ่งเกาะนะเสร็จแล้วจร ะ, ะ, ะ, ะเอจระเข้มันนิ่งอยู่ลิงพอจะโดดเอ มองซ้ายมองขวามีสติระวังระแวดระวังระแวดระวังเอ๊ะทำไมวันนี้หินมันสูงกว่าวันก่อนชักสงสัยความเข้าใจยังไม่ถูกต้องว่าหินนี่ทำไมมันสูงมันงอกได้ยังไงวันวันอื่นมันก็โดดสบายสบายวันนี้มันต้องโดดสูงแน่ก็ชะงักอยู่พอจะโดดก็ชะงักสงสัยต้องมีอะไรพิเศษแน่ลิงมันก็ตะโกนถาม ลิงพูดได้เพราะลิงในชาดกาาลิงก็ตะโกนดังหินหินวูย้ยสบายดีหรือเงียบลิงก็บอกเอะวันนี้เป็นอะไรไม่ตอบหินหินวูย้ยสบายดีหรือเจละเคนึกว่าทุกวันนี้ลิงมันคงคุยกับหินถ้าไม่ตอบเดี๋ยวมันไม่มา พอเรียกครั้งที่สามหินหินโว้ยแต่ละาเค้ก็โอ้ยมีอะไรรเล่าบอกนั่นเน่เจวิชจัลเล่เขโอ้ทามานซุ่มอยู่เนี่ยจะมากินลิงใช่ไหมล่ะใช่ลิงมันก็ใช้มีสติสมาธิใช้ปัญญาคิดแก้ปัญหาเสร็จแล้วมันก็ใช้ปัญญาแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ต้องกลับไปให้ได้และไม่ให้จระเข้กินเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรอาจจะต้องเป็นปีต่อไป <c oughs> หมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะประชุมบอร์ดอีกอะไรอีกเอาไงดีให้พระเฉลยแทนไหมครับเพราะนี่ทานชาดก500ร้อยเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งในนั้นเปิดเอาเจอเอง เ, เฉลยหน่อยก็ได้ปรากฏว่าอย่างนี้ลิงมันก็ใช้ปัญญาสติมาปัญญาเกิดสติเตลดมันเกิดปัญหามีสติควบคุมไม่ให้ตกใจกลัวมีสมาธิตั้งใจมั่นแน่วแน่มี understanding ความเข้าใจสถานการณ์ที่ถูกต้องแล้วพูดยังไงให้มันถูกต้องให้มันรอด ทายังไงที่มันพอดีให้มันรอดแล้วสามารถครั้งต่อไปมาหากินได้อีกมีอาชีพอยู่ใต้มีความพยายามที่พอดีในสุดลิงก็มาถึงจุดแก้ปัญหาลิงก็บอกว่านี่นะรู้หรอกที่มาซุ่มอยู่นี่จะมากินเราใช่ไหมล่ะใช่ผมจริงไม่อยากจะกินหรอกลิงตาดำๆแต่ละเคว่า พรยาจะกินขอหัวใจหน่อยนะแพท้องกินอะไรแปลกๆจาก อ, อ๋อลิงก็บอกนี่นะถ้าเราโดดไปแกไล่งงับเรานะดีไม่ดีหัวใจสลายหมดนะอะ้งับแรงไปนะ่ะเกินพอดีสู้อ้าปากรอไว้นะจะะแค่น ะ, ะนนะอ้าปากลอยนะแล้วเราโดดเข้าปากเลยและแกก็อมเราไว้ไปให้ภรร ย, ยา ก, กินดีไหม หัวใจมันจะได้ไม่แตกแลเคกบอกเอ้ยเขาท่ายก <g iggle> ็ <g iggle> อ้าปากรอพราะอ้าปากอย่างนี้เี่นะลิงมันก็โดดฟึบเหยียบจมูกข้างบนนี่นะมันมีจมูกข้างบนไม่ทราบมันอยู่ข้างบนเลยเน่ยนะมันอยู่จมูกอยู่ข้างในอยู่ไอ้ตรงเนี้ยนะเหยียบปุ๊บจะ ง, งอยปากมันนะแล้วก็โดดฟึบขึ้นฝั่งไปเลยเพราะลิงมันสังเกตเห็นว่า จระเข้เนี่ยเวลาปากมันอ้าแล้วตามันหลับมันมองไม่เห็นเชื่อหรือไม่เวลาไปสวนใสนเ่เด็กๆลองดูลิงมันรู้เพราะมันอยู่ด้วยกันทุกวันปากอ้าแล้วตาหลับจริงหรือไม่ในทิฏฐานชาดกว่าไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นโดดขนาดไหนที่พอดี ทำขนาดไหนที่พอดีความพอดีทั้งหมดนั้นจะต้องรวมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันเข้าใจสถานการณ์ดีคิดดีพูดดีทดําดีงานดีขยันดีสติดีตั้งตั้งสมาธิดีสมาทิติดสมาสังกัปปะสมาวาจาระสมากรรมมันตะสมาอาชีวะสมา อะไรอีกอไรไม่ครบสัมมาวายามะอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาวายามะคือขยันดีสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจดีสัมมาสังกัปปะคือคิดดีสัมมาวาจาพูดดีสัมมากัมมันตะทำทำดีพฤติกรรมทางกายดีสัมมาอาชีวะทำงานดีสัมมาวายามะขยันดี สัมมาสติและลึกดีมีสติดีและสัมมาสมาธิตั้งใจดีทั้งแปดอย่างถ้ารวมองค์ประกอบร้อยลัดเป็นหนึ่งได้เมื่อไนเราเรียกว่ามัคถ้าแยกกันทําเดี๋ยวนู่นทํานี่ทําทีหนึ่งทำนู่นบ้างทํานี่บ้างเราไม่เรียกว่าโลกิยามัคองค์แห่งมัคจะต้องมารวมประสานเข้าด้วยกันและถ้าท่าน พัฒนาทางจิตวิญญาณเข้าไปเราเรียกว่าเป็นโร ก, กุตระนำท่านสู่พลทุกข์เพราะฉะนั้นทางพ้นทุกข์ทางปฏิบัติที่ดีตั้งสัมมาทิฏฐิให้ถูกต้องและระดมทั้งหมดไปสู่เป้าหมายเดียวกันและชีวิตจะถูกต้องราบรื่นดีงามฝากเป็นข้อคิดในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างคุณภระีรัตนตรัย และกุศลความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตส่วนตัวในครอบครัวและในหน้าที่การงานปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปโภคภัรายทั้งปวงมีอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัต ปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้ความปราถนานั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมมมโรสปราถนาทุกประการทุกท่านทุกคนเตน